คนทุกคนนะครับต้องการความสงบ ตริเมเกิดเมื่อต้องการความสงบวุ่นวายแล้วก็ปรารถนาความ เราพยายามเข้าถึงความสงบนั้นความสงบก็จะกลางสิ่งชั่วคราวทั้งนั้นดังนั้นสาระของ เราไม่มีไฟลุกใจว่าเหตุที่น้ําเดือดเนี่ยเพราะมันมี มักจะพบตัววุ่นวายไปชินอยู่ที่ ความสุกออกคือขึ้นเองเหมือนคนผู้ คือที่ตัณห์เหตุของความเดือดร้อนดังนั้นเราต้องไม่สร้างความเดือดร้อนชนิดใหม่ขึ้นเราต้องไม่สร้างเหตุของความเดือดร้อนอย่างใหม่ขึ้นต้นเหตุของความเดือดร้อนใจ ที่จะไม่รู้ทุกเนื้อรู้ตัวไอ้สายนี้ เพราะเรากําลังเฝิญอยู่แต่สมมุติเรานอนหลับไม่ถนัด มาลีนนี่คณิตสายของเราหมุนไปในทางๆเพราะๆจนเที่ยวๆจนดื่มแล้วดื่มเหล้ามองสุราแล้วก็ๆใน ธรรมรายสุดอย่างเนี่ยเรามักจะลืมตัวแล้ว จุ่มในสีที่ย้อมผ้ามันก็ติดยิ่งสีดีเท่าไหร่มันยิ่งติดเนาะอารมณ์ยิ่งสนุกเท่า เราก็คงจะเห็นปลิงซึ่งคีคลิปเพิงควาญนี่ดูดขาควาแล้วตัวโต แล้วก็ผสมกับปูนเข้าแล้วก็คลุกน้ําแล้วก็บีบๆเรา คือเรานั่งคิดอะไรเพลินพอรู้สึกตัวมันหลุดออกมา มันไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลาแต่มัน งานข่าวเนี่ยครับเราค่อยๆกลายเป็นคนที่อ่อนแอเมื่อไม่ได้ดังๆทาง ความสัมพันธ์กับเรากับผู้คนเนี่ยมิตรภาพความรักความรับผิดชอบก็จะจะน้อยในสุดทุกข์โทษก็เกิดขึ้นรอบด้านครับเปรียบเสมือนไม้ซึ่งเราอิงไว้ ผมเองเคยพบดูภายนอกสง่างามที่เนียมมากครับก็หลาย นอกจากความติดยึดในอารมณ์อ่อนอาขี้ระแวง